เสกียะศัพท์นี้เป็นชื่อของธรรมที่ได้แก่วัดธรรมในที่นี้คือธรรมะวัดในที่นี้สะกดด้วยต่อเต่ารอเรือที่หมายถึงกิจพึงกระทําหน้าที่ขนบธรรมเนียมประเพณีการประพฤติการปฏิบัติเสกียะแปลว่าควรศึกษาจัดเป็นหมวดท้วสี่หมวด หมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปว่าด้วยธรรมเนียมคนประพฤติในเวลาเข้าบ้านหมวดที่สองเรียกโภชนะปฏิสังยุตว่าด้วยธรรมเนียมรับบิณฑบาตและฉันอาหารหมวดที่สามเรียกธรรมเทศนาปฏิสังยุตว่าด้วยธรรมเนียมไม่ให้แสดงธรรมแก่บุคคลแสดงอาการไม่เคารพหมวดที่สี่ เรีกปรกินกะว่าด้วยธรรมเนียมถ่ายอุจรปรสวะในคำภีวิพังท่านจัดสิบสิกขาบทเข้าเป็นวร์คเหมือนในปาจิตติยกันแต่ธรรมเนียมเหล่านี้ก้าวไกลกันไปหมดข้าพเจ้าจึงจัดตามแบบนี้สารูปหมวดที่หนึ่งมียีสิบหกขาบทจัดเป็นคู่คู่ได้สิบสามคู่ดังต่อไปนี้ คู่ที่หนึ่งว่าพึงศึกษาว่าเราจากนุ่งเป็นปริมณฑลเราจากห่มเป็นปริมณฑลนุ่งห่มเป็นปริมณฑลนั้นคือนุ่งห่มกลมกลอมเรียบร้อยนุ่งเบื้องบนปิดสะดือแต่ไม่ถึงกระโจมอกเบื้องล่างปิดหัวเข่าทั้งสองลงมาเพียงครึ่งแข้งไม่ถึงกรอมข้อเท้าคือไม่เลยข้อเท้านี้เรียกว่านุ่งเป็นปริมณฑล หมอย่างไรเป็นปริมนทนนั้นท่านแสดงไว้ไม่ชัดเป็นแต่กล่าวว่าทำมุมผ้าทั้งสองให้เสมอกันอย่าปล่อยให้เลื้อยหน้าเลื้อยหลังกล่าวตามทํามเนียมที่ใช้อยู่บัดนี้ในวัด่มเฉวียงบ่าคือปิดบ่าและแขนซ้ายเปิดบ่าและแขนขวาปกเข่าลงมาขนาดเท่าผ้านุงเข้าบ้านห่มคลุม ปิดบ่าและแขนทั้งสองข้างปิดหลุมคอข้างล่างปิดหัวเข่าทั้งสองดังกล่าวแล้วสิกขาบทคู่นี้หมายเอากิริยานุ่งห่มอย่างแบบของภิกษุแล้วแต่ให้นุ่งเรียบร้อยห้ามไม่ให้ทำรุ่มร่ามหรือถกรังไม่นุ่งอย่างแบบภิกษุถึงแม้จะปิดมณฑลสามได้เรียบร้อยเช่นนุ่งจงกระเบนก็จัดว่าใช้ไม่ได้ คู่ที่สองว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักปกปิดกายดีไปในละแวะกบ้านเราจักปกปิดกายดีนั่งในละแวะกบ้านผ้านุ่งผ้าห่มที่จัดไว้เรียบร้อยแล้วในเวลานุ่งหม่มพึงระวังอย่าให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงคอยชักปกปิดอวัยวะนั้นๆที่กำหนดให้ปิดนี้เป็นคำสอนในศิคาบทคู่นี้ อีกอย่างหนึ่งด้วยสิกขาบทคู่นี้เป็นอ น, นให้ห่มคลุมเข้าบ้านคู่ที่สามว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะสำรวมดีไปในละแวะกบ้านเราจะสำรวมดีนั่งในละแวะกบ้านคำว่าสำรวมดีนั้นหมายเอารักษาอาวัยวะสงบ ไม่ขนองมือขนองเท้าไม่ไหวมือไหวเท้าเพื่อจะเล่นเช่นแกว่งเท้ากระดิกมือเล่นเป็นต้นใช้มือใช้เท้าในเวลามีกิจไม่ห้ามคู่ที่สี่ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะมีตาทอดลงไปในละแวกบ้าน เราจะมีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้านท่านสอนให้แลประมาณชั่วแอกหนึ่งซึ่งกำหนดว่าสี่อกแต่ดวงตาอาจเห็นได้ไกลกว่านั้นท่าแลสั้นถึงปานนั้นดูเป็นการแกล้งทมไม่ใช่อาการโดยปกติไม่เพียงเกินงามกลับงมงายไปอีกความต้องการนั้น ให้รักษาเป็นอาการโดยปกติแม้จะและไกลก็ได้แต่แลตาทอดลงอย่าแลเลิกตามีคำในพระสูตรแบ่งแห่งว่าภิกษุผู้ไม่งมงายย่อมแลเห็นช้างร้ายม้าร้ายอันมาตามทางและรู้จักหลบหลีกอย่างคนทั้งหลายก็ทำกันไม่อวดดี คู่ที่ห้าว่าพึงทำศึกษาว่าเราจากไม่ไปในละแวกบ้านด้วยทั้งเวิร์กผ้าเราจักไม่นั่งในละแวกบ้านด้วยทั้งเวิร์กผ้าการเวิร์กผ้านั้นหมายเอาเปิดสีข้างให้เห็นเช่นถกจีวรขึ้นพาดไว้บนบา่าคู่ที่หกว่า เพียงทำศึกษาว่าเราจักไม่ไปในละแวกบ้านด้วยทั้งความหัวเราะลั่นเราจักไม่นั่งในละแวกบ้านด้วยทั้งความหัวเราะลั่นหัวเราะลั่นนั้นคือหัวรเราะเฮาความซิกสีคือหัวเราะคิดคักก็สงเคราะห์เข้าในข้อนี้เหมือนกันเป็นกิริยาเสียสังวรทั้งนั้นเมื่อมีเรื่องขันที่น่าหัวเราะ กลันไม่อยู่พึงทำแต่ความยิ้มแย้มเท่านั้นคำว่ายิ้มแย้มยิ้มคือแสดงให้ปรากฏว่าชอบใจด้วยริมฝีปากและใบหน้าหรือแก้มแย้มคือเผยเอริมฝีปากออกน้อยๆพอเห็นไรฟันกล่าวสั้นคือยิ้มเห็นแก้มแย้มเห็นฝัน คู่ที่เจ็ดว่าพึงทำศึกษาว่าเราจากมีเสียงน้อยเป็นในละแวกบ้านเราจะมีเสียงน้อยนั่งในละแวกบ้านคำว่าเสียงน้อยนั้นหมายเสียงที่เป็นค่าศึกแก่เสียงดังไม่ใช่เสียงพูดซุบซิบโดยความก็คือเสียงปกติตามมติพระอัฏฐกถาจานั่งห่างกันสิบสองศอก รูปหนึ่งพูดอีกรูปหนึ่งได้ยินเสียงแต่ฟังไม่ถนัดรูปอยู่ในระหว่างห่างกันเพียงหกศอกฟังถนัดเป็นเสียงพอดีเสียงเบาเพียงเท่านี้ในเวลาพูดก็พอได้แต่ในเวลาเทศนาในที่ชุมมุมชนคนมากเห็นจะเบาเกินไปแม้จะว่าดังเกินพระอัฏฐกฐถาจารกำหนดไว้แต่ไม่เสียสังวร คือไม่ได้ใช้เสียงตะเบงไม่ได้ใช้เสียงตะโกนเห็นว่าใช้ได้คู่ที่แปดว่าพึงทำศึกษาว่าเราจกไม่โยกกายไปในละแวกบ้านเราจะไม่โยกกายนั่งในละแวกบ้านยุริยายโยกกาย เพราะทำภูมิก็ตามคือทําท่าสง่างาเผยทําท่าโอถงทําท่าองอาจหรือทําท่าให้สวยงามอยุริยาโยกกายเพราะทำภูมิก็ตามเพราะอ่อแนแอก็ตามห้ามทั้งนั้นท่านต้องการให้เดินและนั่งตั้งตัวตรงครูที่กลาวว่า พึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ไกวแขนไปในละแวกบ้านเราจักไม่ไกวแขนนั่งในละแวกบ้านไกวแขนก็เหมือนกันเพื่อทำภูมิก็ตามเพื่อแสดงลีลาก็ตามห้ามทั้งนั้นท่านสอนให้แข็งแขนไว้เวลาเดินแต่อันที่จริงแขนนั้นยอมเป็นกำลังเรื่องทานตัวเช่นเวลาไต่สะพานกลางแขนออก ยอมจะทานตัวให้ทรงอยู่ได้ดีกว่าหุบแขนแต่เมื่อถึงคราวจะต้องใช้แขนในกิจเช่นนี้ทำไม่มีโทษคู่ที่สิบว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะไม่โคลงศีรษะเป็นในละแวะกบ้านเราจะไม่โคลงศีรษะนั่งในละแวะกบ้านข้อนี้สอนที่ตั้งศีรษะตรง อย่าให้เดินหรือนั่งคอพับดังคนไม่มีกำลังจะทานศีรษะท่านต้องการให้มีท่าทางองอาจเป็นสงา่าคู่ที่ส1บอ็ดว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ทำความค้ำไปในละแวะกบ้านเราจักไม่ทำความค้ำนั่งในละแวะกบ้านคำว่าทำความค้ำนั้น หมายเอาเดินเอามือค้ำบั้นเอวนั่งเท้าแขนข้างเดียวก็ตามสองข้างก็ตามคู่ที่ส2องว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะไม่คลุมศีรษะไปในละแวะกบ้านเราจะไม่คลุมศีรษะนั่งในละแวะกบ้านกิริยาที่ปิดกายเนี่ยที่ควรจะปิด เป็นธรรมเนียมที่ดีแต่ปิดหรือคลุมอวัยวะที่ควรเปิดเป็นกิริยาที่น่าติจึงห้ามไว้ด้วยสิกขาบทคู่นี้คู่ที่13าว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ไปในละแวะกบ้านด้วยทั้งความประโยงเราจักไม่นั่งในละแวะกบ้านด้วยทั้งความรัด กิริยาที่เดินกระโยงคือเหยียบพื้นไม่เต็มเท้าห้ามในข้อต้นท่านต้องการให้เดินเหยียบพื้นเต็มเท้ากิริยาที่นั่งยองเอามือกอดเข่าก็ดีเอาผ้ารัดรอบก็ดีห้ามในข้อหลังนั่งกอดเขานั้นในประเทศนี้ก็ใช้กันอยู่ส่วนนั่งกับผ้ารัดนั้นหาใช้กันไม่ ได้เห็นในรูปภาพโบราณคนอ้วนใช้กันมากเป็นเครื่องช่วยกําลังทรงกายในเสกียาศิขาบทไม่ได้ปรับอาบัติไว้โดยตรงมีแต่เพียงว่าพึงทำศึกษาในคำพีวิพังแก้ว่าอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อทำให้ผิดธรรมเนียมไปต้องทุกกฎ มีตั้งใจจะทำให้ถูกธรรมเนียมแต่ล่วงไปด้วยไม่แกล้งด้วยเผลอด้วยไม่รู้ตัวหรือไม่รู้จักจะทำให้ถูกและอาพาธไม่อาจรักษากิจวัตรให้เรียบร้อยได้ท่านยกเว้นให้ไม่ปรับอาบัตและภิกษุผู้เข้าพักอยู่ในบ้านเป็นการแรมคืนหรือแรมวันจะละจากอาการนั้นๆอันจะทาเสมอไปไม่ได้ เช่นปกปิดกายและทอดจากสู่เป็นต้นก็ได้ไม่มีโทษอาการเช่นใดทำในวัดได้อาการเช่นนั้นทำในบ้านที่เข้าอยู่แรมได้แต่พึงทำในห้องที่พักที่เขาจัดให้สำหรับตนออกพ้นจากสำนักตนเช่นไปสู่เรือนหรือห้องของผู้อื่นควรประพฤติตามธรรมเนียมเข้าบ้าน